นโมตัสสะ a ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ a ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ a ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนัมัสสามิบัดนีจ้จะได้แสดงธรรมกถา ต่อไปจงฟังกันตั้งใจฟังโดยสัจจะเขารถเธอแปการเห็นภัยในความประมาทพระพุทธภาษิตอปมาธราโตภิกขุปมาเทพยทัศิีวาสัญโยชนังอหลงถูลังทหังอคีวัตคชติ ความว่าภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความไม่ประมาทย่อมสามารถเผาสังโยชน้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยนั้นคือเกล็เครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัตตะสงสาร เหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้ไม่ให้ดิ้นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้สิบประการและอริยมรรตเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สักยะอิทธิความเห็นคิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันห 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระตนตรยัยสงสัย ในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลพัตตะปรามาตการลูกความศีลและวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสรรเสริญมุ่งลาบสการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้งสามประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปฏิมักสา ม, มารถเผาสังโยชน์นี้ได้ 4. การมราคะความกหนังในการ ห้าปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญสองประการนี้อนาคาบิมักเผาได้ส่วนสกทามิมักนั้นละได้สามประการเหมือนโสดา ป, ปฏิมักเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน้าประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมพาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เรื้องต่าง รู ป, ปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌานชา็ 7. อรู ป, ปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌานาป 8. มานะความทนมตน 9. อุทจจะความพุงซ่านแห่งจิต 10. อภิชาความหลงไม่รู้อริยสัจ ต, ตามเป็นจริงทั้งห้าประการนี้ท่านเรียกว่า อุทธำภาคียสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตตมักเผาได้ผู้สามารถเผาสังโยชน์ทั้งสีประการนี้ได้เป็นพระขีนาศพผู้ที่สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องต่อไปนี้ ภิกษุรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไม่ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระาศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไหร่ก็มิอาจให้บรรลุมรรคผลใดใไ ด, ได้จึงเดินทางกับคิดว่าจะมาทูลพระาศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไม่ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟ ได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะปึงเผาสังโยต์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธ ก, กุฎีทรงทราบปรารจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยต์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาก อันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายรดเชื้อเพลิงควรเผาสัญชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือยามทําทให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นได้อีกพระาศาสดาทรงเป่งพระสมีไปประหนึ่งว่าประทัพนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพรางตรัสว่าอัปปม า, ราพระโตภิกขุเป็นอาธิดังได้ยกขึ้นกล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้น 9. ผู้อยู่ใกล้พระนิพพา น, านพระพุทธภาษิตอัปปมาทราโตภิกขุปปมาเทพระยัตทศิวาอภ พ, พโอปริหานายะนิพานาเสวะสันติเกความว่าภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน อธิบายความคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นไัยในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสมคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึง่งในที่บางแห่งพระาศาสดาสมให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนเสื่อมหรือจเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดช่างรำ คนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบธรรมคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราพวสูตรกุตกนิกายดังนี้สุวิชาโนโพวังโหติสุวิชาโนปราพวโวธรรมกามโมพวังโหติธรรมเทศสีปราพวโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย คือผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชั่ธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถาวิปัสสนามรรคและผลแล้วยังเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้พระติสสะเทระพระติสสะเทระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบทแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัด และมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบินทบาทเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่ออนาถาบินทิกาเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพร ะ, จพระเจ้าเพเสนทีโกรศนสมบัตเพ็ญอสาธิสถ า, านอยู่ก็ดีท่านก็ไม่ยอมมายังเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านที่นิคมนั่นเองภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติีเตียนว่าพระติสะคลุกคลีอยู่กับหมู่ญาติของตน ไม่ยอนไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถบิณฑิกะและของพระเจ้าเกษมที่โกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดารับสั่งให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัส ถ, ถามถึงเรื่องนี้พระติสสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นพระติสสะทูลว่าถ้าแต่พระพักวาเจ้า ข้าพระองค์กระทําดังนั้นไม่ใช่เพื่อคุกครีด้วยหมูญาตแต่ข้าพระองค์อาศัยหมูญาตเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเลวก็ตามประนีก็ตามพอยังชีพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปสแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงมิได้มาข้าพระองค์หาคุกครีด้วยหมูญาตไม่ พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสานีเพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมักผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ ดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นแลวัรรคที่สองเรียกว่าอัปปมาทวัคควานนารรณารวมเก้าเรื่องจบสามว่าด้วยจิตจิตตัวัคควรรณ า, นนาหนึ่งจิตที่ดิ้นรนกลับกรอบพระพุทธภาษิต พันธนังจะประลังจิตตังทุรักขังตุนิวาระยังอุชงกโรติเมธาวีอุสุการวเตสนังวาริโสวะทะเลกิตโตโอกะโมกะตะอุปโตปริพันธติทางจิตตังมารทยังปหาตะเวความว่าจิตนี้ดิ้นรนกัดแกงรักษายากห้ามยาก บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนจิตนี้เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอะไรคือการมาคุณห้าแล้วสัตว์ไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมานย่อมดินน้นรนเหมือนปลาที่ผลานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้น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 ที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปเพื่อเกลือบกลั้วกับอารมณ์นั้นดิ้นรนไปหารูปันสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอัญโยนใจเมื่อถูกกิจกันจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้สวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่คนเคยกินจนติด แล้วไม่ได้กิ่นย่อมแสดงอาการทุ้ลนทุรายที่ว่ากัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือหลิ่ไม่อยู่นิ่งในยุยาบทเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้วันไหวอยู่เสมอจิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกกระทำแปดบ้างราคะโทสะโมหะบ้างทาให้วันไหวกวัดแกง ที่ว่ารักษายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลำบากประเดียวชอบอย่างนั้นประเดียวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยเชือกเชือกที่ใช้สำหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติถึงกระนั้น้อเหนี่ยวรั้งได้ยาก ทุนนิวาระยังเมื่อเชื่อคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บรุษมีความเพียรก็ต้องพยายามทำจิตให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันหล่นไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกสอนให้ตรงได้ที่แล้วก็แสดงศิลปะยิงสอน หน้าพระที่นั่งของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชนเป็นอันมากย่อมได้สการะและความนับถือฉันใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทำจิตอันมีสภาพดิ้นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอำนาจทุดดงก็คุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วชโรมด้วยยางคือศรัทธาลนด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิต ดัดที่ง่ามคือสมถะและวิปั ส, สนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแลแล้วพิจารณาสังขารทำลายกองวิชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นกล่าวคือวิชาสามอภิญยาหและโลกุตรธรรม9ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักกินยะบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมาที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัด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 ยังมีข้างหน้าอีกมากเพราะวัคนี้ว่าด้วยเรื่องจิตทางวักพระพุทธภาสิกนี้พระาศาสดาทรงปราลบ พ, พระเมกคียบัณฑิตพึงทราบเรื่องเมกิยะดังนี้พระเมกคียพระเมกคียเป็นภิกษุอุปถากพระาศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ํา กิมิกาลาปรารถนาจะไปทําความเพียรณที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทําความเพียรขออนุญาตทูลลาไปทําความเพียรที่นั่นพระศาสดาสงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขิยะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทําความเพียรด้วยตนเองจึงสงห้ามเสียถึงสามครั้งว่าเมขิยะ อย่าพึ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมกิยะหาฝังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาหให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรมแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้ พระถูกวิตกทั้งสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมคิยะเธอละทิ้งเราผู้อ่อนวอนอยู่ถึงสามครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฝังไม่เธอได้ทากรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเอง อย่างที่ปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันเล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วปรัพระคาถาว่าพันธนังจะตลังจิตตังเป็นอาทิมีเนื้อความอาาธิบายดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น 2. จิตที่นาความสุขมาให พระพุทธภาษิตทนนิขหัสสะระหูโนโยัตถากามิปาติโนจิตตัสสะธรรมโกสาตุจิต ต, ต, ตังตังสุขาวหังความว่าจิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาวงเล็บคืนเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใข่ การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรข่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแสมชื่นดําเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐาน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 แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อันหน้าใคร่กล่าวคือตกไปในกามคุณห้ามีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกมาให้เนือง และไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้มีประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระาศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเหมือนสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคาม ไดล้เชิงเขาแห่งแควนโกสลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระาศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหาดรกแดขุม คงจะต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้อันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระาศาสดาก็พระาศาสดาพระองค์นั้นไม่สงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและเกียรติคร้านแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่สงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูป นอกจากเวลามาสู่ที่บํารุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบินทบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งมหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุขขอให้มาตีระครันซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจะประชุมกันทําอย่างให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทํากติกากันไว้อย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งอุบาสิกามหาภิกษุ ให้คนใช้ถือเหนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพุกพลานจึงปรารลบว่าทำอย่างไรเนอะจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสําคัญว่าภิกษุบางรูปบางรูปนั้นจะไม่ผาสุขกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปมิได้มีเลยอุบาลสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้น พระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอัตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าด้วยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่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 กูบาสิกาสาทายาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิผลทางอนาคามิมัคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นใะอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพิทาสและโลกียะอภิญญาหอีกด้วยวงเล็บเว้นอาสวัคคายาณ น, นอกนั้นเป็นโลกียะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงดทธิได้และทิพจักสุมีตาที่เป็นต้น นางได้ออกจากสุกันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพยจักษุกใคร่ควรอยู่ว่าเมื่อไรหนาะพระคุณเจ้าทั้งหลายจากบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดก็ยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งคาะหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสัพพายะเพียงพอสบายบุคคลสัพพายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสัพพายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมาดานสั่ง ให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอานเป็นที่สบายสรีระกะัปปิกระเปล่าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเธอเหล่านั้นละลอกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคกันนี้เพราะได้อาศัยอาหารอ ด, ดีของอุบาสิกา เมื่อออกปรรษาปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเข้าพระผู้มีพระภาคที่เชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำมันเป็นเหตุให้ลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระาศาสดาเมื่อจะถามถึงเรื่องต่าง มีเรื่องอาหารบินทบาทเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงกุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสรเสวอุบาสิกานั้นเป็นอเดกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบินทบาตอันประณีตและสามารถรู้วารจิตของพระตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคํา ส, สรเสวนคณของอุบาสิกาแล้ว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 ภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้าละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็ามาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกะมานดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบบาราจิตของคนอื่นหรือ ทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นบาสิกาย้อนถามท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเปลี่ยนอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระ น, นั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้ว่ารจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิษุนั้นคิดว่าเราทากำหนัก เสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะปึน้นตำหนิเราทําให้เราละอายอยากแบบนั้นเลยเรานี้ไปจากที่นี่จะดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจะไปสํานักพระศาสดานี่มนุยอยู่ที่นี่ก่อนเถิดคะ่ะอาตมาอยู่ไม่ได้หรอกอุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอน เธอได้เดินผ่านไปยังสํานักพระศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปมเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทําไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้ว่าลจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละพิษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าข้าภิกษุ เธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณ ะ, แ ล, ะแล้วแล้วระศสาศราตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคราการฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรคผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลู้นอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงกันแล้วจึงจัดอาหารอันประนีตมาถวายสองสามวัน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 ท่านตามและลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา9กชาตินางมีจิตปฏิพัตในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง9กชาติมาแล้วท่านโปร่งธรรมสัมเวทว่าหน้าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทํากรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม้มหาอุบาสิกา นั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่หนึ่งร้อได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่100เถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ แล้ว ล, ลึกถึงกัตภาพที่100ได้เห็นพกาลของขขุองบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมัคสีผลสีแก่วบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานทาตนะที่นั้นนั่นเอง 3. จิตนี้ละเอียดอยิงนักพระพุทธภาสิต สุทัศน์สวนิปุนังยัตถากามิปปานังจิตตังรักเขตมเมทาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาเป็นอรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้อธิบายจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอยู่เหนือนวิสัยของจักสุข ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้งอมีตาหูเป็นต้นซื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์อันละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประนีตและผ่องใสที่เศร้ามองได้อยากไปเพราะอาคารตุกกะกิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำความสุขมาให้ พระาศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้ประสันจะศึกมีเรื่องดังนี้ภิกษุผู้ประสันจะศึกพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใครจะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็นสามส่วนส่วนหนึ่ง ไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาและครอบครัวอีกควรหนึ่ง<ม>ไว้ทาบุญให้ทานมีสลากฐินเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทำตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกพิกษุได้บอกให้รับศีลห้าพร้อมด้วยสรณะสามคือพุทธธรรมสังฆะให้รับศีลสิเขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปปภเศรษฐีบุตร แปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทําความดีตามลำำําดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทําอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นประชาผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอา เห็นว่าธรรมวินัยนี้ทับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงตระสันใครจะศึกเห็นไปว่าการอยู่ของฆราวาสก็สามารถให้พ้นจากทุกได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร่างกายสั่งร่างไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียดคร้านกอบงำเกลี่อนคนไปด้วยหิน เปื่อยพิสูจทั้งหลายเห็นเธอแปลกใจจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากซึกเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นภิสูจทั้งหลายจึงนําเธอไปหาพระอุปชายะและอาจารย์พระอุปชาอาจารย์ได้นําเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งได้ ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรำและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเถอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าข้ารักษาจิตของเธอนั่นแหละภิกษุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข้าพระาศาสดาประทานพระโอวาทว่าถ้าพระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกได้โดยวิธีนี้ ดังนี้แล้วตรัสสุทุตนังสุนิปุณังเป็นอาทิดังมีใดยะอธิบายมาแล้วเป็นต้นนั่นแหล 4. จิตนี้ที่ออกไปไกลพระพุทธภาษิตทุรัง้ามังเอกจรังอสเรรังคุหาสยังเยจิตังสัญเมตสันติโมคติมารพันธนา ความว่าจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีครูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดรู้จักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมานอธิบายจิตเที่ยวไปได้แม้ไกลแสนไกลแม้เพียงครู่เดียวไม่ต้องอาศัยภาชนะใดๆไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่ การเดินทางของแสงนับว่าเร็วก็ยังไม่เร็วเท่าการเดินทางของจิตจิตไปเที่ยวได้ทั่วโลกด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาถ้าเราสามารถไปเที่ยวได้อย่างจิตเราคงสนุกสนานมากไม่เปลืองเวลามากและไม่ต้องใช้ค่าพานะใดๆท่านจึงว่าทูรังคบมังเท่ากับเที่ยวไปได้ไกล คำว่าเที่ยวไปดวงเดียวนั้นหมายความว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงแม้จะเกิดเร็วแต่เกิดทีละดวงเมื่อดวงเก่าดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นจิตย่อมรับอารมณ์ได้ทีละอย่างแต่เร็วมากเราจึงอาจรู้สึกไปว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียวจิตไม่มีสรีระคือไม่มีสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปหยาบอย่างที่เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อ เราจึงมองไม่เห็นจิตเราเห็นแต่พฤติกรรมของจิตทำนองเดียวกับเรามองไม่เห็นความร้อนแต่เราเห็นอาการของความร้อนเช่นเราเห็นสีของไฟเป็นต้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ย่อมมาจากจิตที่ว่ามีครูหาเป็นที่อาศัยนั้นคือจิตอาศัยร่างกายนี้อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่ได้แก่ดินน้ำไฟลม การสำรวมจิตคือการระวังไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแข่งมานั้นท่านหมายเอาวัตถุทุกในภูมิทั้งสคือการมาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัตทุกข์นี้ได้ก็โดยการสำรวมจิตพระศาสดาตรัสพุทธภาสินี้ปรารบพระสังฆรักิต มีเรื่องย่อดังนี้พระภากินัยยะสังขลกิจบวกเรีบสังขรกิจผู้เป็นหลานพระศ า, าสดาประทับที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังขรกิจ ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์หลังจากบวชแล้วเพียงสองสามวันน้องชายของพระสังฆรกิจนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสํานักของพระสังฆรกิจผู้เป็นลุงแม้พระนั้นก็ชื่อสังฆรกิจเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินัยยสังฆรกิจคือสังฆรกิจผู้เป็นหลานเธอจํำพรรษาที่วัดไคร่บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวสิกะสาดก วงเด็บคือผ้าจำนำพรรษาพระจำรรษาคือผ้าที่มีผู้นำมาถวายแก่พิสุขผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนเธอได้มาสองผืนผืนหนึ่งยาวเจดศอกอีกผืนหนึ่งยาว8ศอกเธอกำหนดไว้ในใจว่าจะถวายผืนที่ยาวแปดศอกนั้นแก่หลวงลุงจึงไปคอยพระเถระอยู่ณนะที่อยู่ของท่าน เมื่อลงลุงมาก็ทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ําดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนําผ้ายาแปดซอกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไวเพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสําหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆราชกิตเอาไว้ใช้เอง พระสังฆริจผู้หลานอ้อนวอนถึงสามครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสติวิหาริศคือสิทธิอุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทาไมอีก เราควรศึกไปเป็นขั้นเธอคิดดัง น, นี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการของเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งคือเอาผ้าสาดกแปดสอบไปขายแล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกเร็วเมื่อแม่แพะออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยา ตอนมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มเองด้วยความเพลอเลิลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนล้อเกวียนจะทับลูกเราโกดภรรยาจับเอาพัดประตัดตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้พระสังฆรกิจเอาด้างพัดตีหัวหลวงลุงพอดีพอเพราะเพลินไปว่าเป็นภรรยาตน พระเระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังคารกิจเธอตีมาตุพาไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเข้าเราพระสังขารกิจคิดว่าตายจริงพระอุปช า, ารู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะศึกแล้ ดังนี้แล้วได้วางพัดใบตางแล้วออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศ า, าสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียร ให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสักทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำมรวมจิตเพื่อให้ระราคะโทสะและโมหะการเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่า ทุรังคมังเอกะจรังเป็นอาทิมีนยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภากินยะสังฆลักขิตได้บรรลุโสดาปติผล